วันอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วานนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆสิ้นไปเท่านี้ รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นชั้นใดก็ฉันนั้นตถาคตเป็นเพียงผู้บอกจะถึงที่หมายต้องเดินเอาเองก็สาวกของพระโคโดมผู้เจริญเมื่อพระโคโดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆรูปได้บรรลุนิพพาน อันเป็นผลสําเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือหรือว่าไม่ได้บรรลุพราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาค พ, พราหมณ์สาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสําเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุ อะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคโดมผู้ชักชวนเพื่อดำเนินไปก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพรามเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจมตอบตามควร ท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชคฤึไม่ใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคลึเข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคลึขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชคลึแก่ข้าพเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวแก่บุรุษผู้นั้นว่ามาสิท่าน ทางนี้เป็นเมืองราชคลึไปได้ครู่หนึ่งจากพบบ้านชื่อโน้นและจากเห็นนิคมชื่อโน้นจะเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจะเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสะโบกขรณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคลึดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไป ส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งไปถึงเมืองราชคลึได้โดยสวัสดีพรามเอยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคลึก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชครึได้โดยสวัสดี